ไม่ใช่มพวกเราเท่านี้นะที่รับรู้เรื่องธรรมยากาตรา ม, มีคนอื่นที่เขารับรู้ไม่ใช่รับรู้เฉยๆแต่ว่าติดตามด้วยคนที่ติดตามอันน่าจะเป็นคันก็ได้เพราะว่าทุกวันนี้ก็จะมีการรายงาน ความคืบหน้าของธรรมยาราออกทางสถานีวิทยุต้นน้ำหลังประทาหรือทางาไฟหวานเรามีผู้สื่อข่าวหลายคนคอยส่งข่าวไปวันละหลายเที่ยวเป็นคนที่อยู่บนหลังเขาแล้วก็รอบๆเขาก็จะติดตามรู้ ว่าพวกเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้แต่ที่จริงไม่ใช่แค่นี้นะต้องเรียกว่าคนที่กรุงเทพแล้วก็ทั่วประเทศแล้วก็อาจจะรมถึงประเทศอื่นด้วย<ๆ>เขาก็รับรู้ติดตามข่าวของเราเป็นระยะระยะทุกวันเพราะว่ามีการส่ง ข่าวคราวธรรมญาตาิาออกไปทางอินเทอร์เน็ตนะออกไปทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ก็มีคนส่งกำลังใจมาหลายคนก็เสียายที่มาไม่ได้หลายคนก็รับปากว่าจะมาร่วมเดินกับเรา ในไม่กี่วันนี้โดยเฉพาะวันที่ห้าหรือเจ็ดนี้จะมากันเยอะแล้วก็มีคนหนึ่งเขาเขียนเป็นกรอนให้กำลังใจเราจะอ่านให้ฟังนะเขาเขียนไว้ได้ดีก้าวไปเถิดผู้กล้าอย่าท้อถอยผู้คนคอยเป็นแรงใจในแนวหลังแจะเผา เท้าจะพองต้องเปลี่ยมพลังข้ามคืนยังดา ด, ดงดาวพราสัตถาเดียวต้องอ่านหน่อยอ่านอะไรไม่เจอไม่ค่อยออกเอาใหม่นะก้าวไปเถิดผู้กล้าอย่าท้อถอย ผู้คนพอยเป็นแรงใจในแนวหลังแดดจะเผาเท้าจะพองต้องเปลี่ยมพลังค่ำคืนยังดาขึ้นดาวเปล่าศรักธาจงประกาศความห่วงใยในแผ่นดินจงค้นพบอันซีนที่สแสวงหาขอเดือนเพนคือเพนใจ อห้ยาตราสูธรรมดาง่ายงามและความจริงนี่เขาเขียนกรอนมาเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะว่าพวกเราเนี่ยเขาเป็นผู้กล้านอย่าท้อถอยนะยังมีผู้คนคอยเป็นแรงใจในแนวหลังนะเรานี่ไม่ใช่แค่เป็นตัวแทนของธรรมชาติอยู่แนวหน้าอย่างเดียวนะมีแนวหลังช่วยเป็นกําลังใจให้กันเรา ก็มันก็จะรู้เลยนะว่าแดดจะเผาเท้าจะพองต้องเปลี่ยนพลังนะนะอย่าอย่าอย่าฟุบอย่าแทรกง่ายๆนะต้องเปลี่ยนพลังให้เรารู้ว่าค่าคืนยางดาบพืนดาวพราวศรัทธานะที่นี่นี่คืนนี้นีน่ฟ้าสวยมากนะแล้วก็ให้เราเระลึกได้ว่า แสงดาวก็ดีแสงจันทร์ก็ดีเขาจะเป็นพลังเขบอกขอเดือนเพนคือเป็นใจให้ญาตาิตนาะเดือนเพนวันนี้เนี่ยนะขอให้ใจของเราเนี่ยสว่างสวัยเหมือนกับเดือนเพนคืนนี้นะวันนี้วันพระพระใหญนะ่ขอให้ใจเราเนี่ยสว่างสวัยนะเหมือนกับเดือนเพนนะสู่ธรรมดาง่ายนามและความจริง นะแล้วก็ที่เขาพูดไว้น่าประทับใจคือว่าจงกระกาศความหงใยในแผ่นดินจงค้นพบอันซีนที่แสวงหาอันซีนเนี่ยนะแปลว่ายังไม่มีการค้นพบหรือว่ายังไม่มีใครเห็นเวลาพูดถึงอันซีนเนี่ยเราก็อาจจะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยได้มีคนพบ คนไปเที่ยวเท่าไหร่อย่างธรรมยากราปีนี้เนี่ยอันซีนที่หลายๆคนรอคอยก็คือมอหินขาวแต่ที่จริงมันมีอันซีนระหว่างทางเยอะอย่างเมื่อตอนก่อนเพล น, นะเราก็ได้ผ่านตาดบงนะซึ่งเป็นตาที่สวยนะสวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาใน ที่ชยัยภูมินะลักษณะก็คือว่าสงบนะไม่มีคนเนะข้ามารับรู้รับเห็นแล้วก็มันไกลถนนด้วยตาหลายตานี่จะอยู่ใกล้ถนนมากนะแล้วก็โดนปุมแต่งซะเยอะแต่ตาที่นี่ยังสวยอยู่ถ้ามาเมื่อเดินที่นล้วน่าจะสวยกว่า น, นี้นะเพราะว่าน้านี่จะเต็มผืนถึงตาเลย เก็ว่าตอนที่เราเดินผ่านมาเนี่ย ม, มันมันมีมันเป็นแหล่งน้ำนะแต่ว่าน้ำน้อยนะแต่ขนาดน้อยนี่เราก็ ย, ยังเห็นเลยว่าถ้ามันชวนให้เกิดความชุ่มชื่นใจมากนะถ้าเป็นเดือนที่แล้วนี่ตาบีจะมีน้ำนองแล้วก็ไม่ลึกนะให้เรานั่งเล่นได้อันซีนนะนี่คืออันซีนที่ไม่มีใครรู้ นาบเบิร์ก็ไม่รู้จักทอทอทอก็ไม่เคยเห็ น, นแล้วก็อย่าได้เห็นเลยนะเพราะว่าใมงั้มันจะมงั้มันจะคนพุกพลาอย่างมอหินขาวในที่เราจะไปดูไปถึงามาลือมีเนี่ยเชื่อว่ามันก็คงจะสวยเมื่อสวยกว่าเมื่อคงยังไม่สวยเท่าเมื่อสองสามปีก่อนนะเพราะว่าตอนนั้นไปยากก็จริงแต่สวย ของของอะไรที่ได้ยากหรือสถานที่ใดที่ไปยากเนี่ยมันจะมีสะเสน่ห์อยู่เสมอก็คือความสวยงามนะสิ่งดีๆนี่มันต้องแลกด้วยความยากลาบากนะแล้วก็ยังมีอันซีนนะที่เป็นสถานที่ที่เราจะได้เห็นนะระหว่างทางที่ว่าอาจจะจนถึงกระทั่งวันที่เจวันที่แดเลย ีอันซีนอย่างที่อยากจะให้เราได้รู้จักนะและสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ไกลเรเลยมันอยู่กับรูปตัวเราตลอดเวลาก็คืออันซีนในใจิตใจสิ่งที่เรายังไม่รู้จักนะแต่มีอยู่แล้วในตัวเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรค่ากับการรู้จักมากและเราจะรู้จักได้อย่างไรนะธรรมยาตราอาจจะเผย ให้เราได้เห็นอันซีนที่มีอยู่แล้วในใจของเราอันซีนนั่นคืออะไรนะก็คือความสามารถในตัวเราหลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกตั้งแต่คืนแรกที่มาถึงว่าจะไปไหวไหมเนาะแปดวันนะแล้วยิ่งได้เดินวันแรกเนี่ยหลายคนก็ อาจจะท้อแต่ว่าเชื่อว่าถ้าเราได้เดินอีกสักสองสาวันเนี่ยเราจะค้นพบตัวเองว่าเรามีความสามารถที่เรานึกไม่ถึงหลายคนก็จะนึกท้อว่าทำไม่ได้ทําไม่ได้นะไม่เคยเดินไกลอย่างนี้ไม่เคยมาลำบากอย่างนี้ นะแต่ว่าเราเดินสามารถจะเดินผ่านวันพรุ่งนี้ไปไดนะ้มันจะง่ายขึ้นละและเราจะเชื่อมั่นในตัวเราเองมากขึ้นว่าเราทำได้นะทำได้นี่ทำได้ทั้งกายทำได้ทั้งใจหลายคนเนี่ยเมื่อถึงวันสุดท้าย ของธรรมยาตราอย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยหลายคนต็บอกเลยว่าไม่นึกเลยว่าจะเดินมาถึงวันสุดท้ายได้นะไม่มีความเชื่อมั่นเลยใจมันท้อตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ว่าก็ช่วยกันพาช่วยกันช่วยกันหนุนนะจนกระทั่งมาถึง แล้วก็เริ่มมั่นใจขึ้นเมื่อถึงวันที่สี่วันที่ห้าว่าตัวเองทําได้พนะอถึงวันที่เจ็ดวันที่แปดเนี่ยก็จะมีความภาคภูมิใจมากภาคภูมิใจในตัวเองนะเป็นความภาคภูมิใจในตัวเองที่มีความสามารถที่นึกไม่ถึงมาก่อนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพูดถึงความภาคภูมิใจเนี่ย หลายคนจะเนึกว่าภาคภูมิใจก็ต่อเมื่อได้มีเสื้อผ้าสวยๆใส่นะมีโทรศัพท์มือถือใช้ก็จะรู้สึกภาคภูมิใจนะหรือว่าภาคภูมิใจในตัวเองที่มีรูปร่างหน้าตา飒 ส, สวยหลอ่อแต่นนี้มันเป็นเปลือกเป็นผิ ว, ผวความภาคภูมิใจที่แท้เนี่ยก็คือ เราได้เห็นความสามารถของตัวเราเองว่าเราเข้มแข็งกว่าที่เราคิดนะเรามีความกล้าหาญกว่าที่เรานึกนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีทางที่จะค้นพบหรือเจอได้เลยถ้าเราไม่ไม่ผ่านความยากลาบากนะความยากลำบ า, นะ า, ากบานเนี่ยนะมันจะทาให้เราเข้มแข็งและมันจะดึงเอา ความเก่งความกล้าของเราออกมาถ้าเราอยู่สบายๆเนี่ยนะเราจะอ่อนแอเราจะอ่อนแอแต่ถ้าเรากล้าที่จะลำบากนะอาจจะท้อบ้างอันนี้ธรรมดาแต่เราก็จะเห็นตัวเราเองความยากลำบากเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยน สิ่งที่มันดิบๆเนี่ยให้กลายเป็นสิ่งที่ที่มีค่านะเหมือนกับเหมือนกับแดดนะเหมือนกับความร้อนนะทองเนี่ยมันจะเป็นทองบริสุทธิ์ได้เนี่ยต้องผ่านความร้อนที่แรกทนะี่แรกหรือว่าอ่เสร็จแรกทองเนี่ยนะมันไม่สวยหรอก ไปขุดมาจากในดินเนี่ยมันไม่สวยหรอกแต่พอมันผ่านการหลอมเหลวเจอความร้อนเนี่มันจะกลายเป็นทองบริสุทธิ์เรียกว่าทองวัตประคุณก็ได้เหล็กเนี่ยถ้ามันไม่ผ่านไม่ผ่านความร้อนเนี่ยมันจะไม่เป็นเหล็กกล้าได้เหล็กกล้านี่เป็นเหล็กดีเหล็กชั้นดีต้องเจอความร้อนนะความร้อนเนี่ย มันมีค่ามากอาหารที่เรากินนะ่ะถ้ามันไม่ผ่านความร้อนนี่กินไม่ได้นะแม้แต่ข้าวนะข้าวนี่มันต้องนะต้องต้มขนมปังเนี่ยต้องอบถึงจะกินได้และไม่ใช่แค่กินได้เดียวมันจะหอมด้วยนะขนมปังนี่ถ้าอบนี่จะหอมแม้แต่ข้าวหอมมันนี่ก็เหมือนกันนะก็ต้องเจอ ความร้อนถึงจะหอมและกินได้มีประโยชน์ต้นไม้เนี่ยทำไมไม่เจอแดดนะไม่มีวันสุกไม่มีวันหอมไม่มีวันอร่อยถ้าเราถ้าเราไม่เจอความยากลำบากนะเราก็ยังเป็นคนดิบๆอยู่นะเหมือนกับข้าวดิบเหมือนกับผลไม้ดิบเรายังไม่สุกนะจนกว่า จะผ่านความลับยากลาบากอันนี้คํานึงเรียกว่าคำว่าอบรมนะอบรมนักเรียนต้องไปอบรมครูต้องไปอบรมอบรมนี่คือทำให้มันมีคุณภาพดีขึ้นนะก็ต้องผ่านการอบการรมนะอบนี่มันร้อนรมนี่ก็ร้อนแต่ว่ามันเปลี่ยนคุณภาพได้ทำให้เกิดคุณภาพใหม่ ถ้เห็นไหมว่าธรรมชาติเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยของมันจะดีขึ้นมาได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแร่ไม่ว่าจะเป็นทองไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม่ว่าจะเป็นอาหารผลไม้มันต้องผ่านความร้อนนะต้องเจอแดดเผานะหรือว่าต้องเจอฟืนเจอควันนะพวกเราก็เหมือนกันนะสิ่งที่มีในใจเราเนี่ยนะมันมีในใจเรานี่มีสิ่งวิเศษ หลายอย่างแต่ว่ามันยังไม่ออกมาหรือว่ามันยังไม่พัฒนาถึงขั้นถ้าไม่เจอความร้อนนะความร้อนในที่นี้หมายถึงความยากลําบากแต่ก็รวมไปถึงนะการที่ต้องเจอแดดนะที่มันแผดเผาด้วยธรรมยตรานเนี่ยมนันเป็นการพาพวกเรามาเพื่อที่จะผ่านการอก นะการรมการเผาเพื่อให้คุณวิเศษนะสิ่งวิเศษในใจเราเมันออกมาเช่นความเข้มแข็งความกล้าหาญความภาคภูมิใจอันนี้คืออันซีนที่สำคัญกว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะที่ใครๆอยากจะไปนะคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะไปดูอันซีนนะ ที่มันเป็นสถานที่ลอกตัวแต่ว่ามองข้ามอันซีนที่อยู่ในใจของเรานะจะให้เราเนี่ยหันกลับมาดูนะใจของเรามากขึ้นะในช่วงโดยเฉพาะในช่วงระหว่างที่เดินธรรมยกตกรามนะมันเป็นบททดสอบที่ดีมากนะวันนี้เราก็เจอบททดสอบหนึ่งวันนะทางอาจจะไม่ไกล เหมือนกับเมื่อวานแต่มันก็ร้อนแล้วก็ทามก็ครุ่ครับนะคนที่ถอดรองเท้านี่ก็ก็ได้เจออันซีงเหมือนกันนะแต่ว่าแม้ว่ามันจะเหนื่อยแม้ว่ามันจะยากแม้ว่ามันจะปวดนะแต่ว่าเราก็พาตัวเองมาจนถึงที่นี่ได้นะว่าป่าสันติธรรมหลาคนก็คงรู้ว่าอวนไม่รู้จะ เดินผ่านเดินได้หรือเปล่านะจากปากทางนะเข้ามาถึงที่วัดสองกิโลครึ่งแค่สองรอยเมตรนี่ก็บางคนก็ท้อแล้วนะแต่ว่าเราก็มาจนได้ให้เราดูนะวัาใจของเราเนี่ยนะมันเข้มแข็งแล้วความเข้มแข็งนี้เนี่ยมันก็เกิดจากความยากลำบาก เวลาเราเจอความยากลำบากเนี่ยเราจะเกิดปัญญาด้วยนะไม่ใช่แค่เกิดความเข้มแข็งอย่างเดียวเราจะเกิดปัญญาว่าเออเราจะทำใจยังไงดีนะมันถึงจะไม่ปวดไม่เจ็บนะช้าเงินปวดอยู่แล้วร่างกายก็เมื่อยถ้าเป็นที่อื่นเราก็พักถ้าเป็นที่บ้านเราก็ไม่เดินต่อถ้าเดินถ้ามากับครอบครัวเราบอกไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วนะหยุดเท่านี้แหละ แม่พ่อจะให้เราไปเราก็ไม่ไปแต่ว่านี้เรามากันเป็นคณะเราต้องไปด้วยกันถึงด้วยกันก็ต้องฉุดก็ต้องลาบ ก, ก, ก็ต้องผลักกันไปเราไม่สามารถจะหนีเราไม่สามารถจ ะ, อาาถจะองอแงได้ตรงนี้แหละที่มันจะทําให้เราเนี่ยได้ใช้ปัญญาว่าเออเราจะทําใจอย่างไรนะมันถึงจะไม่เจ็บไม่ปวดไปตามกาย คนที่ไม่เชื่อว่าการนับนี่มันจะช่วยได้ก็อาจจะเห็นแล้วว่าการนับการนมันช่วยได้นะหรือว่าการท่องคาถาจำได้ไหมซ้ายทนได้ขวาสบายมากเวลาตีกรองอะตึงตึงตึงท่องไปด้วยซ้ายทนได้ตึงตึงตึงขวาสบายมากนะเอาใจเนี่ยไป ฟังอยู่ที่เสียงกรองแล้วก็ท่องไปด้วยสวดท่าท่าไปด้วยไอ้ความเมื่อยความปวดมันจะน้อยลงเพราะว่าใจเราเนี่ยมันถูกดึงออกมาจากเท้าถ้าใจเรานี่ไปทําอะไรนะอยู่เปล่าๆนะใจเราก็ไปปักอยู่ที่ความปวดที่เท้าความเมื่อยที่กายหรือว่าความร้อนที่หัวใจเนี่ยมันจะมันจะยึดมันจะติดนะกับความปวดความปวดนี่เราไม่ชอบนะความเจ็บเราไม่ชอบนะ แต่ถ้าเราเผลอเมื่อไหร่นัานใจมันก็จะไปป่ปงตรงนั้นแหละเหมือนกับเวลาเราโกรธใครเนี่ยเราไม่ชอบเขาเราอยากจะผลักเขาไปไกลๆแต่ยิ่งโกรธเนี่ยก็ยิ่งนึกถึงเขานะยิ่งนึถึงคนที่เราโกรธยิ่งนึกถึงคําที่เขาพูดดูถูกเราคําที่เขาด่า ว, ว่าเราเสร็จแล้วก็เลยกินไม่ได้หมอไม่หนละับสิ่งที่เราอยากจะผลักออกไปไกลๆเนี่ยมันกลับมีแรงดึงดูดให้เรายึดใหเราติด ความเจ็บปวดก็เหมือนกันถ้าใจนี่ปล่อ ย, อยเปล่าๆนะใจมันก็ไปปรับตัวความปวดแล้วมันก็จะไปกมความปวดเอาไว้นะมันจะไปกำเอาไว้ไม่ยอมปล่อยนะมาเมือนกนว่าเราเรามีเรามีเศษแก้วอยู่ในมือเศษแก้วอยู่ในมือนี่ทำอะไรแล้วไม่ได้นะแต่พอเรากาแล้วเราบีบเนี่ยมันจะเจ็บ แล้วมันบีบพอบีบแล้วเจ็บแล้วเนี่ยเราไม่ยอมปล่อยนะยังกำต่ออีกนะนะความปวดก็เหมือนกันถ้ามีมสตินั้มันลืมตัวมันก็จะกำความปวดเอาไว้กนำะ อ, อย่างนั้นแหละแต่พอเรามีสติอามันก็คลายออกพอเพิ่สติมันกำใหม่นะอีกวิธีนึงก็คือว่าเราก็ไปใช้สมาธิไปจดจอเอาจิตไปจดจออยู่กับเสียงกลองหรือว่าการนับ การนับเก้าหรือการลมตามลมหายใจนะอันนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ความเจ็บความปวดความเมื่อยทุเราลงใหม่ๆก็ทำได้ในคล่องไม่ถนัดเพราะว่าความความปวดมันจะดึงจิตของเรามันจะคอยแย่งมันจะคอยดึงมันจะคอยช่วงชิงจิตนะออกจากสติออกจาก อ, าออกจากสมาธิ แต่ว่าพอเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆสติเรามีกาลังสมาธิเรามีกำลังก็จะดึงจิตออกไปนะฟังเสียงกรองได้ต่อเนื่องนับ ก, ก้าวได้ต่อเนื่องหรือว่ารู้สึกตัวได้ดีขึ้นนะมันเผลอคิดไปมันเผลอปรุงมันเผลอยึดความปวดอวาวงแล้วก็ถ้าดีนะก็ลองยิ้มไปด้วยนะยิ้มไปด้วยแล้วก็ สวยคาถาไปด้วยทนได้สบายมากนะายทนได้กวาสบายมากแล้วก็ยิ้มด้วยไม่ใช่ทนได้สบายมากแต่หน้าบึ้มหน้าเ ย, ย้เกลองดูมนันมันมันจะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะถ้าจากเดิมที่บอกว่าไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพอเราบอกขึ้นมาว่าไหวสิไหวสิทนได้สบายมากความความปวดมันจะลดลงสิบเปอร์ซนยี่สิเปอร์เซต แต่ว่าตอนที่ปวดเนี่ยตอนที่สวนเนี่ยท่องคาถาเนี่ยหน้าเราอาจจะบึ้งหน้าจะเยะเกยลองยิ้มขึ้นมานะความปวดก็จะลดไปอีกสิเปอร์เซ็นยะี่สบเปอร์เซ็นนะอันนี้มันแปลกดีนะหน้าที่ยิ้มเนี่ยมันจะรู้สึกปวดน้อยกว่าหน้าที่บึ้งตึงนะแล้วก็ใจที่บอกว่า ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยมันจะมันจะสู้ใจที่บอกว่าได้สิทนได้สบายมากทนได้สบายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคําว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยนะต้องต้องรู้ทันมันแล้วก็วาง น, นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรช้ำมันก็ได้นะหรือว่าทนได้สบายมากก็ได้และนี่แหละมันจะทําให้เรา เกิดปัญญาขึ้นมาเห็นตัวเราเองคนเราเนี่ยถ้าไม่เราไม่รู้จักตัวเราเองนะเราก็ไม่มีทางที่จะมีความเจริญก้าวหน้าหรือว่ามีความสุขได้นะการรู้จักตัวเองได้เห็นว่าเรามีความสามารถนะมีความเข้มแข็งกว่าที่เราคิดมีความสามารถกว่าที่เราลึกนะ บางทีเราอยู่ที่บ้านเนี่ยนะอยู่ที่บ้านเราอยู่สบายนะอยากจะทำอยากจะได้อะไรพ่อแม่ก็หามาให้นะไม่เคยได้ลงมือทำนะแต่พอเราได้ลงมือทำนะด้วยความเพียรของตัวเองนะเราจะเข้มแข็งมากขึ้นเราจะฉลาดมากขึ้นเราจะรู้ว่า จะแก้ปัญหาจะแก้ทุกอย่างไรนะคนเรานี่ถ้าไม่เจอทุกนะมันก็ไม่รู้นะวิธีพ้นทุกข์อะ่ะนะเพราะว่าเราจะพ้นทุกข์ได้เราต้องรู้จับทุกข์แล้วก็รู้ว่าอ๋อในทุกเนี่ยอย่างน้อยที่เราจะรู้ก็คือว่าทุกเนี่ยมันไม่เที่ยงอย่างเมื่อกลางวันนี้เนี่ยตอนที่เราเดินเนี่ยโอ้มันปวดใช่ไหม เจ็บใช่ไหมมันเมื่อยใช่ไหมใจตอนนั้นมันแย่เลยแล้วตอนนี้เป็นยังไงใจเราเป็นยังไงสบายใช่ไหมมันเปลี่ยนไปแล้วนะใจที่บึ้งตึงใจที่หงุดหงิดนี่มันเปลี่ยนไปแล้วไอความปวดความเจ็บมันหายไปแล้วมันไม่เที่ยงนะมันไม่ยั่งยืนมันไม่จีรังอันเนี้ยคือความทุกข์อันนี้คือ ค, อนนคื อ, คอ คือสิ่งที่เราควรรู้จักว่าทุกนี่มันก็ไม่เที่ยมนะไอตอนที่เราแย่อตอนที่เราปวดนะลองปลอบลองนึกซะบ้างหรือเป็นการปลอบใจตัวเองว่าเออทนอีกหน่อยเ็ น, นั้นก็หายไปมันไม่ได้อยู่กับเรานานนะมันไม่ได้อยู่กับเรานานแลนะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราทุกเนี่ยเราก็คิดว่ามันจะทุกไปจนตลอดอกหักเอยสอบเข้าไม่ได้ ของหายเนี่ยหรือบางทีคนรักตายเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าพี่น้องเนี่ยเราก็จะเศร้าแล้วก็จะรู้สึกว่าชีวิตที่มันทุกข์เหลือเกินทำไมมันทุกข์อย่างนี้ไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่ามันทุกข์แต่ว่าถ้าเราคิกไปหน่อยว่าเออมันทุกข์ก็จริงแต่มันก็มีวันที่จะหายทุกข์ได้เราก็จะมีกําลังใจเหมือนกับที่เรารู้ว่า กลางคืนเนี่ยไม่ว่ามันจะยาวนานแค่ไหนมันก็จะสว่างมันต้องสว่างในที่สุดกลางคืนแม้มันจะหนาวเหน็ดแค่ไหนมันก็จะมีวันที่อุ่นขึ้นเมื่อถึงตอนเช้านั้นถ้าเราถ้าเราถ้าเรารู้เรามั่นใจเราก็จะมีความหวังและเราก็จะมีกำลังที่จะ ฟันฝ่าความทุกข์กกกไดนะ้พวกเราที่เป็นนักเรียนที่เป็นหนุ่มสาวนะให้เราลึกว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่กับเราความทุกข์ที่มันอยู่กับเรานี่มันไม่ได้จีรั ง, ย, งยั่งยืนสักวันหนึ่งมันก็จะแปรเปลี่ยนไปแต่ในอีกด้านหนึ่งนะก็ต้องมองด้วยนะว่าไอ้ความสุขที่เรามีมันก็ไม่จีรังเหมือนกันนะ ความสุขที่เรามีอาจจะเป็นความสนุกสนานความสะดวกสบายอาจจะรวมไปถึงสุขภาพร่างกายนะหรือความรักหรือว่าเข้าของที่เรามีที่มันให้ความสุขแก่เร า, า จ, จะเป็นโทรศัพท์มือถือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เวลาเรามีความสุขก็ให้ระลึกว่า มันไม่ใช่จะอยู่กับเราไปนานๆนะสักวันหนึ่งมันก็แปลเปลี่ยนไปเคยสังเกตไนะ้มของที่เรากินนะอาหารที่เรากินนะนะมื้อแรกหรือว่าช้อนแรกมันก็อร่อยแต่กินไปกินไปพอถึงช้อนที่ยี่สิความอร่อยก็จะลดลงแล้วหรือว่าเรากินมื้อแรกก็อร่อยนะจะเป็นไกยา่าจะเป็น ต้มตหรือจะเป็นพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์แต่ลองกินทุกวันเลลองกินทุกวันทุกวันทุกวันกินไปสักสิบวันเนี่ยมันยังจะอร่อยหรือเปล่ามันยังจะอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่านะจากเดิมที่อร่อยก็กลายเป็นเบือ่อจากเบื่อก็เอียนจากเอียนก็กลายเป็นอาจเจียนนะกินมากๆนี่มันอร่อยๆมันอร่อยไม่นานนะพอกินมากๆ ม, มันอาจเจียนเลยนะ มันเอียนมากนี่เรียกว่าความสุขก็ไม่เที่ยงนะเพลงที่เพราะนะเพลงที่ไพเราะไม่ว่าเพลงของวงดนตรีวงไหนนักร้องคนไหนฟังทีแรกก็เพราะนะลองฟังไปสักร้อยครั้งสองร้อยครั้งนี่มันจะไม่เพราะแล้วเราอยากจะหาเพลงใหม่มาฟังแล้วนะไอ้บินโทนนะ่ะที่เราคิดว่ามันเป็นเพลงมันเป็นบิงโทนที่เพราะ มันอยู่กับโทรศัพท์เราได้กี่กี่เดือนนะบางคนเดือนนึ่งก็เปลี่ยนแล้วฟังทุกวันฟังวันละหลายครั้งริมโทนนี่มันฟังไปสักเดือนนึงนี่ไม่อาวแล้วไม่พรอแล้วขอริมโทนรินเพลงใหม่ดีกว่านะบางคนสองอาทิตย์เท่านั้นแะก็เปลี่ยนริมโทนแะล้วนะพวกบริษัทโทรศัพท์นี่เขารวยเลยรวยเพราะความเบื่อของเรานะ อันนี้เราสังเกตนะสังเกตนะว่าความสุขมันไม่เที่ยงเหมือนกันนะความภายเลาะมันก็ไม่เที่ยงโทรศัพท์มือถือที่เราซื้อมาวันแรกนี่มันก็โอ้ยสวยนะดีแต่ว่าใช้ไปสักสองอาทิตย์ใช้ไปสักสเดือนอยากจะได้เครื่องใหม่แล้วนะนะมันไม่เที่ยงนะ ความสวยนะมันไม่เที่ยงความทำสมัยมันก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเวลาเรามีความสุขก็จะไปหลงละเลยกับความสุขมากให้รู้ว่าเดี๋ยวใจมันก็จะแฟกไปเองใจมันก็จะไม่สุขแล้วนะอันนี้เราก็ควรจะเรียนรู้นะถ้าเรารู้แบบนี้เนี่ยนะเราก็จะฉลาดขึ้นเราก็จะมีปัญญาขึ้น และนี่ก็เป็นอันสีอย่างหนึ่งที่เราควรจะรู้จักว่าใจของเราในนั้นคือคือลงลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เอาแน่เอานอนไม่ได้เราเคยสังเกตไหมะนะตรงนี้แหละที่มันจะทำให้เราเนี่ยรู้เท่าทาันตัวเองมากขึ้นรู้จักตัวเราเองมากขึ้นนะ่ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอยาให้เราสังเกตดูใจของเราอีกหวันที่เหลือนะ เราอมาดูใจของเราดูอย่าไปอย่าไปอย่าไปเพิกเพลินกับสิ่งนอกตัวมากนะดูใจของเราไปด้วยเวลาเดินอย่าไปมุนหีดคนคนอื่นแย่าไปมุนหีดคนที่อยู่ข้างนอกคนที่อยู่รอบข้างเราอย่าไปบวยวายใส่ดวงอาทิตย์หรือแดดให้มาดูใจของเราแล้วเราก็จะเห็นอันซีน หลายอย่างที่จะตามมาเอาแล้วก็ค่ำนี้ยันนี้ก็พูดกันทั น, นีีแหละ